จเจริญพรเมื่อกี้ก็ <c oughs> เป็นเทพของอาจารย์ใบสานเนา ะ, ะท่นานก็พูดถึงเรื่องว่าคนบางคนก็เกี่ยวกับการมีมานะใชะ่บางคนก็ไปเข้าใจว่าคำนะมานะมานะคือความมานะพยายามเป็นความขยันอะไรเงี้ยแต่จริงๆแล้วคำามานะในะความหมายบาลีก็คือ อ่าความที่เราคิดมั่นถือมั่นในตัวเรานะว่าเราดีกว่าเข า, เร า, า, เขาหรือเราต่ํากว่าเขาหรือเราเสมอเขานาะมันเป็นกิเลสที่ละเอียดนะทีะ่ผู้ปฏิธรรมที่จ ะ, ะเข้าถึงความพ้นทุกข์ได้เนี่ย <c oughs> จะต้องปล่อยวางมานะให้ได้ <c oughs> ถ้ามันปล่อยวางมานะ่าไม่ได้มันก็เข้าสู่ความพ้นทุกข์ไม่ได้เข้ามาเพราะว่าคนเรามันสมวนมากก็จะเป็นแบบนี้นะบางทีเราก็ เราก็คิดว่าเราดีกว่าเขาใช่ไเจอคนต่ำกว่าเราหรือมีการศึกษาน้อยกว่าเราหรือคนคนใช้เราคนทำงานให้กับเราแล้วก็คิดว่าเราดีกว่าเขาใช่ไหมมันมีมาน่าอโดยเรามันรู้ตัวนะเราเราดีก็ใช้คนพูดที่ไม่สุภาพนะกับคนที่ต่ำกว่าเราเพราะเราคิดว่าเขาต่ำกว่าเราเราดูกว่าเขานะ ในบานที่เราเจอคนที่สูงกว่าเรานัเราก็รู้สึกเราตามมา่ำกว่เ า, า, มมาเขานะเราต่ำกว่าเขาเขามีฐานะดีกว่าเราเขามีตําแหน่งการงานหรือเป็นนักการเมืองหรือว่าดูแล้วเขาน่าจะมีชื่อเสียงมากกว่าเรานะเราก็คิดว่าเราต่ํำกว่าเขาเพราะตรงนี้นัเราก็ต้องสังเกตให้ให้ออกนะเราคิดว่ายังไงนะเราสูงกว่าเขาหรือเราต่ำกว่าเขาหรือเท่ากับเขาเนี่ย เพราะนี่มันคือมานะทัมมดเลยนะมันมันคือกา่เราไปยึดมั่นถือมั่นในความเป็นตัวเป็นตนของเราเนี่ยเนาะเพราะฉะนั้น เ, เมื่อปฏบัติธรรมแล้วมันมันต้องคลายมานะออกนะคลายก็คือคลายอย่างไรนะก็คือคลายความเป็นตัวผลของเราเนี่ยแหละความยึดมั่นถือมั่นในตัวเราเพราะมันถ้าไม่มีตัวเรามันก็ไม่มีว่าเราต่ำกว่าเขาหรือเราสูงกว่าเขาใช่ไหม แต่ถ้าเรามียังมีตัวตนของเราอยู่นะมีของเรามีตัวตนของเรามีของของเรามันก็ยังมีเราสูงองเข้าเราต่ขมงเข้านี่แหละเพราะมันมันเป็นกิเลสที่ละเอียดนะที่มันเรารู้ไม่ทันใช่อ่าอันนี้สมมติมีใครมาด่าเราปุ๊บนะด่าเราใช่ไหมอ่าเามาด่าเรามันมีตัวเราอยู่ะมาด่าเราะมั้ยอ่าหรือเข้ามาชมเรามันก็มีตัวเราอยู่นะ เขามาดีกับเราก็มีตัวเราอยู่นะอะไรทั้งหลายไหนมันก็มีตัวเราทั้งนั้นนะมันก็ต้องสังเกตให้มีตัวเรามีมีส่วนได้เสียไหมใช่ไหมถ้าเราสังเกตไมออกมันก็มีตัวเราตลอดเนะเพราะฉนั้นมันมันก็เลยต้องมามีสติรู้เท่าทันอนะกายและใจนี่แหละเครูบาอาจารย์บอกว่าตรงนี้ให้เห็นเป็นรูปเป็นนามนะเนะนะพราะว่าอะไรเพราะว่านะ ตัวเรามันแค่สมมุตินมั้อ่าสมมติเราเราชื่อนายกนะเราก็ไปติดเราเป็นนายกนะอ่าเราเป็นพระนะอ่าเป็นพระอ่าหรือว่าเราเป็นผู้ชายนะอ่าหรือวันนี้เราเป็นผู้หญิงอ่าชื่อนางสาวขอนหรือเป็นแม่ชีใช่หอ่าหรือว่าเป็นอ่าเป็นเป็นอะไรสักอย่างหนึ่งมันก็ไปติดในตรงนั้นทั้งหมดเลยว่าเราเป็นแบบนั้นแบบนั้นอันนี้มันสมมุตินะ ว่าคนผู้ชายเป็นผู้หญิงเป็นพระเป็นผู้เป็นแม่ชีเป็นโยมน่ยสมมุติทั้งนั้นนะเราชื่ออะไรก็สมมุติทั้งนั้นแต่แต่ให้เห็นว่าเนี่ยมันเป็นแค่รูปนามนะเราจะเป็นผู้ชายก็เป็นรูปนามเป็นพระก็เป็นรูปนามเป็นผู้หญิงก็เป็นรูปนามเป็นแม่ชีเป็นรูปนามมันก็ไม่ต่างกันเพราะฉนั้นมันก็คือเป็นรูปนามเท่ากันหมดมันไม่ได้สมมุติว่านี่เป็นผู้ชายผู้หญิงมันมันก็ตัดแค่เป็นรูปเป็นนามเนาะ แลก็ตัดแต่สมมุติขึ้นมาได้แล้วก็เห็นตามฟามเป็นจริงอ๋อเนี่ยเดินอ่ะใครเดินนะเดินก็คือร่างกายมันเดินไม่ใช่เราเดินนะอ่าไม่ใช่ว่าเอออันนี้เราเดินนะมันก็คือร่างกายเดินแล้วใครคิดเนี่ยคิดก็คือใจมันคิดนะไม่ใช่เราคิดนะมันออกจากฟามเป็นตัวตนได้นะอ่าก็คือกายก็คือรูปนั่นเองนะอ่าคิดใจมันคิดก็เป็นนามันคิดเนี่ยมันมันมันไม่ใช่ตัวเมตต์แล้วเป็นเป็นปรามัดนะ ผลมันก็คือเห็นไม่รูปเป็นนามไม่ใช่ตัวไม่ตนไม่ใช่ตัดบุคคลตนเราเขาไม่ใช่ผู้ชายผู้หญิงไม่ใช่ติดสมมุตินี่คือนายตอนี่คือนางข อ, งของนะมันเป็นสมมุตนะิเนีพราะมันออกจากสมมติได้มันก็เห็นตามพันจริงว่าเออมันเป็นแค่ร่างกายแค่จิตใจนะไม่ตัวไม่ตนของเราเนี่ยถ้าเห็นได้เงี้ยมันก็มานะมันก็น้อยไปแล้วก็หมดไปเนาะเราก็ ต, ต้องสังเกตตัวเราให้ไวออมีอะไรเกิดขึ้นมีตัวเราเป็นมีตัวได้เสียไหม เราอิชาเขาเห็นไหมเรามีส่วนในเสียไหมมันทั้งหมดมันก็คือตัวมานะทั้งหมดเลยนะมันถ้าเรารู้ทันมันก็จะน้อยลงไปเรื่อยๆเนะาะเป็นตัรับทร